เราจะอยู่ตามลำพังเราจะพยายามให้สติอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดตั้งแต่คืนนี้หละพอเราจะอดอาหารเราเรารู้แล้วว่าเราจะอดอาหารเราก็ไม่มาออกมาเพ่งผ่านไม่ออกมาทำกิจวัตรเราก็บอกกับครูบาอาจารย์หมูพกเพื่อนอผมจะอดอาหารเนอะผมจะได้ไม่นำมาช่วยศาลาเนอะ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 เราจะต้องประกอบคุณงามความดีทุกทุกริยะบททุกเวลาเรานึกได้เมื่อไหร่เราก็ภาวนาเมื่อนั้น เ, ออเราจะไม่ปล่อยปะละเลยทําให้จิตใจของเราเออละเหยลอยลมขาดสติถ้าหากว่ามีสติอยู่กับตัวเองเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหะคือการภาวนาเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อได้พูดว่าเราได้จังจิตอธิษฐานไว้ในใจว่าจะให้สติอยู่กับตตัวเอง